ปัญหาที่สิบสองถามลักษณะสติข้าแต่พระนาคเซนสติมีลักษณะอย่างไรมหาราชะสติมีลักษณะสองประการคือหนึ่งมีการเตือนเป็นลักษณะสองมีการถือไว้เป็นลักษณะขอถวายพระพรสติมีการเตือน ค้าแต่พระผู้เป็นเจ้าข้อว่าสติมีการเตือนเป็นลักษณะนั้นคืออย่างไรขอถวายพระพรสติเมื่อเกิดขึ้นก็เตือนให้รู้จักสิ่งที่เป็นกุศลอกุศลมีโทษไม่มีโทษเร็วดีดําขาวว่าเหล่านี้เป็นสติปัทานสเหล่านี้เป็นส ม, มปัฏทานสี่เหล่านี้เป็นอิทิบาสสี เหล่านี้เป็นอินรี่ห้าเหล่านี้เป็นพระห้าเหล่านี้เป็นโพชฌง 7, เจิตเหล่านี้เป็นอริยมรรคประกอบด้วยองค์8อันนี้เป็นสมถะอันนี้เป็นวิปัสสนาอันนี้เป็นวิชชาอันนี้เป็นวิมุตติเหล่านี้เป็นเจตสิกธรรมดังนี้ลำดับนั้นพโยคาวจรก็เกี่ยวข้อง ทำที่ควรเกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้องทำที่ไม่ควรเกี่ยวข้องคบหาทาที่ควรครบหาไม่คบหาทาที่ไม่ควรครบหาอย่างนี้แหละมหาบาพิษเรียกว่าสติมีการเตือนเป็นลักษณะขอได้โปรดอุปมาด้วยอุปมาในคังของพระราชามหาราช ในคังของพระราชาย่อมทูลเตือนพระเจ้าจากักรพรรดิให้ทรงระลึกถึงราชสมบัติในเวลาเช้าเย็นว่าข้าแต่สมุติเทพช้างของพระองค์มีเท่านี้ม้ามีเท่านี้รถมีเท่านี้พนเดินเท้ามีเท่านี้เงินมีเท่านี้ทองมีเท่านี้สิ่งที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่เจ้าของมีเท่านี้ ขอพระ อ, องค์จงทรงระลึกเถิดพระเจ้าค่าข้อนี้มีอุปมาชันใดสติเมื่อเกิดขึ้นก็เตือนให้ระลึกถึงธรรมที่เป็นกุศลอกุศลมีโทษไม่มีโทษเร็วดีดำขาวว่าเหล่านี้เป็นสติประทานสี่เหล่านี้เป็นสัมมาประธานสี่และอื่นๆ ลำดับนั้นพระโยคาวจรก็เกี่ยวข้องกับธรรมที่ควรเกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้องกับธรรมที่ไม่ควรเกี่ยวข้องคบกับธรรมที่ควรครบไม่คบกับธรรมที่ไม่ควรครบอย่างนี้แหละมหาบพิษชื่อว่าสติมีการเตือนเป็นลักษณะชอบแล้วพระนาคเสนสติมีการถือไว้ พาะเจ้ามิลินตัดถามต่อไปว่าข้าแต่พระนาคเษนข้อว่าสติมีการถือไว้เป็นลักษณะนั้นเป็นประการใดมหาราชสติเมื่อเกิดขึ้นก็ชักชวนให้ถือเอาซึ่งคติแห่งธรรมทั้งหลายว่าธรรมเหล่านี้มีประโยชน์ธรรมเหล่านี้ไม่มีประโยชน์ธรรมเหล่านี้มีอุปการละธรรมเหล่านี้ไม่มีอุปการละลำดับนั้น พยคาวจรก็ละรรมอันไม่มีประโยชน์เสียถือเอารรมที่มีประโยชน์ละรรมที่ไม่มีอุปการะเสียถือเอาแต่รมที่มีอุปการะอย่างนี้แหละมหาบพิษชื่อว่าสติมีการถือเอาไว้เป็นลักษณะขอนิมนอุปมาให้ทราบด้วยอุปมาในประตูของพระราชามหาราชา ในประตูของพระราชาย่อมต้องรู้จักผู้ที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์แก่พระราชาผู้ที่มีอุปการะหรือไม่มีอุปการะแก่พระราชาเป็นต้นลำดับนั้นในประตูก็กําจัดพวกที่ไม่มีประโยชน์เสียรับให้เข้าไปเฉพาะพวกที่มีประโยชน์กําจัดพวกที่ไม่มีอุปการะเสียให้เข้าไปแต่พวกที่มีอุปการะชั้นใด สติเมื่อเกิดขึ้นก็ชักชวนให้ถือเอาคติแห่งธรรมทั้งหลายชั้นนั้นว่าธรรมเหล่านี้มีประโยชน์ธรรมเหล่านี้ไม่มีประโยชน์ธรรมเหล่านี้มีอุปการละธรรมเหล่านี้ไม่มีอุปการละลำดับนั้นพระโยค่าวจรก็กำจัดธรรมอันไม่มีประโยชน์เสียถือเอาแต่ธรรมที่มีประโยชน์ละธรรมอันไม่มีอุปการละเสีย ถือเอาแต่ธทรรมอันมีอุปการะอย่างนี้แหละมหาบพิษชื่อว่าสติมีการถือไว้เป็นลักษณะข้อนี้สมกับที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าสติจะโขอาหางพิกาเวสสะพัสทิกังวัฏามิดูกรภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่าสติประกอบด้วยประโยชน์ทั้งปวง ดังนี้ขอถวายพระพรข้าแต่พระนาคเซนพระผู้เป็นเจ้าแก่ถูกต้องดีแล้วตีกามิรินอธิบายคำว่าซึ่งคติแห่งธรรมทั้งหลายได้แก่ถึงซึ่งความสําเร็จผลที่ต้องการและไม่ต้องการแห่งธรรมทั้งหลายอันเป็นกุศลและอกุศล ส่วนคำว่าดำขาวมีความหมายว่านั้นได้แก่สิ่งที่ไม่ดีส่วนขาวนั้นได้แก่สิ่งที่ดี